ตื่นเงาตัวเองหลังจากได้ลองทดสอบกำหนดอสุภะและสุภะสลับสับเปลี่ยนกันไปมาอยู่นั้นวาระสุดท้ายที่จะทำให้ท่านได้รู้ความจริงก็คือเวลาจะได้ความจริง ก็นั่งกำหนดอสุภะไว้ตรงหน้าจิตกำหนดอสุภะไว้ให้ตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ให้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือตั้งให้คงที่ของมันอยู่อย่างนั้นละ่ะจะเป็นหนังห่อกระดูหรือว่าหนังออกหมดเหลือแต่กระดูกก็ให้มันรู้อยู่ตรงหน้านั้นแล้วจิตเพ่งดูด้วยมีสติดจดจอ่อ อยากรู้อยากเห็นความจริงจากอสุภะนั้นว่าเอา้ามันจะไปไหนมาไหนกองอสุภะกองนี้จะเคลื่อนหรือเปลี่ยนตัวไปไหนมาไหนคือเพ่งยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นแหละเพราะความชำนาญของจิตไม่ให้ทำลายมันก็ไม่ทำเราบังคับไม่ให้มันทำลายถ้ากำหนดทำลายมัน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 อมเข้ามาอมเข้ามาหาจิตนี้สุดท้ายเลยรู้เห็นว่าเป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะนั่นแนะจิตตัวไปกำหนดว่าอสุภะนั่นแนหะมันกลืนเข้ามากลืนเข้ามาเลยมาที่ตัวจิตเสียเองเป็นสุภะและอสุภะลอกตัวเองจิตก็ปล่อยทั่วทันทีปล่อยอสุภะข้างนอกว่า เข้าใจแล้วที่นี่เพราะมันขาดจากกันมันต้องอยังนี้สินี่มันเป็นเรื่องของจิตต่างหากไปวาดภาพหลอกตัวเองตื่นเงาตัวเองอันนั้นเขาไม่ใช่ราคะอันนั้นไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะ ตัวจิตนี้ต่างหาเป็นตัวราคะโทสโมหะทีนี้พอจิตรู้เรื่องนี้ชัดเจนแล้วจิตก็ถอนตัวจากอันนั้นมาสู่ภายในพอจิตแย็บออกไปมันก็รู้ตัวนี้ออกไปแสดงต่างหาทีนี้ภาพอสุภะนั้นมันก็เลยปรากฏอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะ กำหนดอยู่ภายในพิจารณาอยู่ในจิตทีน่นี้มันไม่เป็นความกำหนัดอย่างนั้นนะสิมันผิดกันมากเรื่องความกำหนัดแบบโลกโลกหมดไปแล้วมันหมดไปแล้วมันเข้าใจชัดว่ามันต้องขาดจากกันอย่างนี้คือมันตัดสินกันแล้วเข้าใจแล้วทีน่นี้ก็มาเป็นภาาปรากฎอยู่ภายในจิต พอกำหนดอยู่ภายในนั้นพอกำหนดอยู่ภายในมันก็ทราบชัดอีกว่าภาพภายในนี้ก็เกิดจากจิตมันดับมันก็ดับไปที่นี่มันไม่ดับไปที่ไหนพอกำหนดขึ้นมันดับไปพอกำหนดไม่นานมันก็ดับไปต่อไปมันก็เหมือนฟ้าแลบนั่นเองพอกำหนดพับขึ้นมาเป็นภาพ ก็ดับไปพร้อมๆกันเลยจะขยายให้เป็นสุภะอสุภะอะไรไม่ได้เพราะความรวดเร็วของความเกิดดับพอปรากฏขึ้นพับก็ดับพร้อมๆต่อจากนั้นนิพภายในจิตก็หมดไปจิตก็กลายเป็นจิตว่างไปเลยส่วนอสุภะภายนอกนั้น หมดปัญหาไปก่อนหน้า น, นี้แล้วเข้าใจแล้วตั้งแต่ขณะที่มันกลืนตัวเข้ามาสู่ิมันก็ปล่อยอสุภะข้างนอกทันทีเลยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรข้างนอกมันปล่อยไปหมดเพราะอันนี้ไปหลอกตังหาที่เมื่อเข้าใจตัวนี้ชัดแล้วอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรมันเข้าใจ ท, ทันทีและ ปล่อยวางภายนอกโดยสิ้นเชิง